ครับเราขอบคุณพระเจ้าครับเราปันดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ <c oughs> เราใช้คำว่าอะไรก็ตามแต่นะฮะบางทีแล้วก็คุ้นกับคำว่าสปาโตเนื้อสับป่าตนะฮะสป า, ะะสบาโตสป า, โ ต, สบาโตจริงแช่คนอยู่ภาพรวมแต่ถ้าว่าตามปฐมกาลไม่มีคำนี้มีแค่ ว, วันที่เจ็ดนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเอาวันไหนในที่เจ็ดของเรานะะวันที่เจ็ดของเราเป็นวันที่พระเจ้าพร้อมในการปวยพรสองเท่า เขาพรสองเท่าแต่บอกแล้วเขาพรมากมายสองเท่าแปลว่าทวีคูณสองเท่าเนี่ยทวีคูณถ้าเราไปอ่านในพระคำพระเจ้าอดีเนี่ยเห็นว่าวันสปาโตหรือวันที่เจ็ดพระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราเนี่ยเป็นพันธสัญญาณุรันระหว่างเรากับประชากรพ ร, ร, ร, ร, ระเจ้ากับพระเจ้านะฮะเป็นวันที่พระเจ้าอยากจะพบหน้าข้าตาเราเป็นแบบรวมญาตินะรวมญาติ นะครับไม่ได้พบเดียวเดียวพบเดียวได้พบทุกวันแหละนะฮะการเฝ้าเดียวของเราพบทุกวันและพระเจ้าพร้อมจะอวยพรวันนี้เป็นวันให้เขาพรนะครับสำหรับคนที่สามารถทำได้ก็จะเป็นประโยชน์คนที่ยังทำไม่ได้เพราะเหตุผลอื่นๆก็แล้วแต่ตามความเหมาะสมบางคนทำงานจริงๆจำเป็นต้องทำงานจริงเพราะว่ า, างานสมยนัยมีงานสมัยก่อนคนเรื่องกันนะงานสมัยก่อนส่วนใหญ่มีการเกษตรไงหยุดวันไหนก็ได้ ในงานสมัยนี้ส่วนใหญ่เป็นงาน เ, าเป็นอะไรเป็นคนงานเป็นามนุษย์เงินเดือนเป็นคนรับจ้างที่สิทธิมีอำนาจขึ้นอยู่กับเจ้าของจะเป็นส่วนใหญ่เราไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของตัวเองแต่ว่าตกไปตรงมาถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของตัวเองกูงก็ไปทำงานที่อื่นจำลอง น, อนะตั่นจำลอง น, อนะั่นอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะแต่เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีวันนี้สำหรับเรานะฮะพระเจ้าก็มีรับนะฮะพระพรมีเยอะนะฮะ วันวันอาทิตย์วันสปาโตหรือวันอะไรเราเรียกเนี่ยนะครับก็เป็นวันที่พระเจ้าดเตรียมสิ่งดีไว้กับเรานะฮะเรามาเพื่อจะเก็บเกี่ยวพระพรที่พระเจ้าวางไว้ให้ในวันนี้สำหรับทำกามของเราทั้งหลายแต่ละคนบางคนอาจจะโศกเศร้ามาได้รับการหนุในใจกลับไปบางคนมาด้วยความปฏิญญาดีก็นำความปฏิญญาแจกจ่ายคนอื่นมันก็เป็นพระพรนะบางคนคิดอะไรไม่ออกบอกไปถูกเอ้ามาวันนี้ได้รับคำตอบจากพระเจ้าอันนั้นคือพอระพรเยอะ ถ้าเรามาวันน้ำมศกาลจันทร์วันอาทิตย์แล้วเราบอกมาเก็บเกี่ยวพระพรได้รับพระพรแต่ถ้ามาตามกติกาเราจะมีความรู้สึกอึดอัดมากถ้าเวลาผ่านเลยไปนานเกินไปเพราะเรามีเวลาของเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วแค่นี้มากเกินไปนี้เรามีปัญหาทันทีแต่ถ้ า, ามาเพื่อเก็บเกี่ยวพระพรวันทั้งวันเนี้ยมีพระพรมากมายกายกองนะครับเหมือนกับเรื่องราวของเอสเทอร์นะ เอสเทอร์เป็นเรื่องราวที่เป็นพระพรพระเจ้าเป็นแผนการกรอบกู้ชาติอยู่ล่วงหน้าผมแจ้งเอาล่วงหน้านะครับเราแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพระเจ้ามีแผนการเรียบร้อยแล้วนะฮะว่าอนาคตข้างหน้าเลยเป็นไงแบบไหนอย่างไรเป็นแต่เพียงเราหาให้เจอนะฮะถ้าเราหาไม่เจอเราก็อาจจะขาดพระพรไปถ้าเราหาเจอเราจะมองเห็นว่าพระเจ้าได้วางเราไวในอนาคตไวอย่างไรแบบไหนอันนั้นเขาเรียกสแสวงหาน้ำพระทยัยพระเจ้าที่เราเรียกอยู่นะ สแสวงหาหนางพระไทยพระเจ้าในข่าวที่แล้วเราพูดถึงบทที่หนึ่งของรระะพระธรรมเอสเทอร์นะฮะพระราชาพระราชนีวชธิทีเนื่องจากไม่ให้เกียรติกษัตริย์อาหัสุเอลัสจรึงทำให้ถูกปลดจากการเป็นราชนีฉะนั้นการให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็ตรงให้เกียรติสมกับที่เขาควรจะได้รับ การให้เกียรติไม่ใช่การสันเสริญเยินยอต้องทำความพอใจนะการให้เกียรติไม่แปลความว่าสันเสริญเยินยอการให้เกียรติว่าเขาเหมาะกับที่จะได้รับก็ได้รับเขาควรจะทำอะไรก็ให้ทำสิ่งนั้นตามที่เขาควรจะทำนะนั่นคือสิ่งท่านเขาอยู่ในตำแหน่งอะไรก็ให้เกียรติเขาเกียรติเขาในตำแหน่งที่เขาเป็นอันนี้คือการให้เกียรติดังนั้นการให้เกียรติไม่ใช่การสันเสริญเยินยอ หลายครั้งหลายคราคิดว่าการให้เกียรติการสรรเสริญยินยอมไม่ใช่หลายครั้งมีคำสรรเสริญยินยอมแต่ไม่เคยให้เกียรติกันเยอะไม่ได้ให้เกียรติหรอกนะฮะแต่จำเป็นต้องสรรเสริญยินยอมและแต่หรือสรรเสริญยินยอมเพราะว่าพ่อมีผลประโยชน์ในคำสรรเสริญยินยอมก็ก็ไม่ถือว่าการให้เกียรติไงนะการให้เกียรติคือสมกับที่เขาควรจะรับหรือสมกับที่เขาเป็นนะฮะอันนั้นคือสิ่งสำคัญก็มาถึงเรื่องสำคัญคือว่าเอสเธอร์ก็ถูกแต่งตั้งประชินี ะะโมริตไคได้ช่วยเหลือกษัตริย์อาหาสุรัตในบทที่สองนะฮะเป็นการเตรียมตัวงพระเจ้าในการช่วยเหลือชนชาติอยู่ไว้ล่วงหน้าเตรียมโมริตไคไว้เตรียมเอสเทอร์ไว้นะครับและสองคนนี้มีคุณสมบัติสำคัญสองเรื่องคือความเชื่อการเชื่อฟังและความศรัทธาของเอสเทอร์และโมริตไคสองอย่างนี้ถือว่าสำคัญนะในการติดตามพระเจ้า ถ้าขาดสองอย่างนี้ไปนี่เสียหายหลายเรื่องแต่ถ้ามีสองอย่างนี้นะครับเป็นบุ ค, คลิกสำหรับผู้ตามพระเจ้าคนที่มีการเชื่อฟังและมีความศรัทธาทำให้ชุดเจริญเก้าวหน้าบางครั้งดูเหมือนช้าแต่รับประกันว่าเก้าวหน้าแน่นะอะไรที่เร่งรีบไม่แน่ใจเร่งรีบหลายครั้งมีการเร่งรีบเกิดขึ้นดูเหมือนไปเร็ว แต่สุดท้ายก็อาจจะแรงลนกลาอากาศหรือไปไม่ถึงและที่สำคัญคือว่าคนที่มีการเชื่อฟังมีความศรัทธาเป็นคนที่พระเจ้าสามารถใช้ได้แล้วคงได้ยินจากพระธรรมรวมนะคนที่เป็นคนที่อดทนเป็นคนที่พระเจ้าใช้ได้คนมีคนอดทนเนี่ยคือคนที่มีความศรัทธาและเชื่อฟังถ้าเราอยากจะรู้เราเป็นคนอดทนหรือไม่ดูจากการเชื่อฟังและความศรัทธา ความสัตย์ซื่อต้องอาศัยความอดทนการเชื่อฟังก็ต้องอาศัยความอดทนนั้นถ้าอยากรู้เราเป็นคนอดทนไหมลองดูว่าเราเชื่อฟังไหมนะฮะดูว่าสัตย์ซื่อไหมสัตย์ซื่ออาศัยระยะเวลาการเชื่อฟังก็อาศัยระยะเวลามันจะเกิดผลอย่างที่เราควรจะได้รับผลนะครับแต่ถ้าเราพยายามจะทำตามของเราเองเราอาจจะไปเร็วเราอาจจะก้าวเร็วแต่ก็มีโอกาสพลาดพลาดเร็วสูงเหมือนกัน นั้นนั่นคือสิ่งสำคัญนะครับในพระธรรมเอสเทอร์บทที่สองข้อหนึ่งยี่สิบสามแต่อ่านข้อสิบสองถึงข้อที่สิบเจ็ดเท่านั้นนะครับสิบสองสิบเจ็ดเท่านั้นนะครับใครมีอ่านก็เปิดอ่านสลับกับผมคนละข้อนะสลับถ้าใครมองเห็นก็เห็นแต่ไม่เห็นแน่นอนไม่เห็นแน่นอนนะตัวเล็กนะครับถ้าใครไม่มีก็ฟังนะสลับคนมีอ่านกับผมคนละข้ อ, ขอเพื่อเป็นพระพรร่วมกันในพระธรรมเอสเทอร์บทที่สองข้อสิบสองถึงข้อที่สิบเจ็ด นะครับเราร่วมใจร่วมใจอ่านนะครับมาอ่านข้อสิบสองพี่น้องอ่านข้อสิบสามแล้วก็ไปจบที่ข้อสิบเจ็ดนะครับในข้อสิบสองกล่าวว่าเมื่อถึงเวรที่สาวสาวทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหะซูเอรัสหลังจากที่เตรียมตัวตามระเบียบของหญิงสิบสองเดือน แ, แล้วและนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประเทืองผิวคือฉลองกายหญิงด้วยน้ำมันกำยานหกเดือน และหกเดือนด้วยเครื่องเทศและน้ำมันประเทืองผิวเธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็นและในเวลาเช้าเธอกลับออกมาในฮาเรมที่สองในอารักขาของชาฮัตการ์ขันธีของพระราชาผู้ดูแลนางห้าม เธอไม่ได้เข้าไปเฝ้าพระราชาอีกนอกจากพระราชาจะพอพระถ่ายใดเธอและส่งเรียกชื่อเธอให้เข้าเฝ้า เมื่อเขาพาเอสเทอร์เขาเปล้าไปเฝ้ากษัตริย์อาหะสุเอรัสในพระราชำนักในเดือนสิบซึ่งเป็นเดือนอทเทเบตในปีที่เจ็ดแห่งราชการของพรงษ์ พระบิดาจะไวพอในพระคำของพระเจ้าพระผีทุกตอนและการดุลใจซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนพงคงจะพรักพร้อมในการทำการในทุกอย่างไวพอในข้ามารทุกคนในการเข้าใจในพิจารณาพระเจ้าในการแสดงพุทธญาณในสุดของพุทธญาณใบสุดจงไหลตามชอบพระทัยพงทุกประการเอาสันเซอร์และขอบคุณในความรักของพระเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน ในบทอิสรพูดถึงว่าเมื่อบทที่หนึ่งกษัตริย์ได้ปลดพระนางวัตถีออกจากการมีราชินีนะฮะก็ขาดราชินีนะฮะกษัตริย์ก็เหงาแลแ้วตอนนี้นะฮะาดการจัดการก็เลยจัดหาสาวงามเพื่อมาเป็นราชินีอีกครั้งหนึ่งก็ประกาศไปทั่วประเทศนะฮะแล้วก็มีสาวงามเข้ามาหนึ่งในนั้นคือเอสเตอร์ซึ่งเป็นหลานของโมเรทไค เข้ามาร่วมด้วยนะครับทั้นั้นก็มามีการเตรียมตัวนั้นบรรดาผู้หญิงถ้าอยากจะมีความสวยของเรือนร่างนะฮะหกเดือนหลังก็หกเดือนแรกหกเดือนหลังกระเทือนผิวนะชะลมผิวนะฮะใช้เวลาอย่างละหกเดือนหกเดือนนะฮะผิวสวยแน่นอนนะฮะอันนี้ก็ว่าไปตามนี้นะฮะนั่นก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายนะฮะเมื่อถึงเวลาหญิงงามนี้ที่ถูกคัดเลือกแล้ว ก็จะถูกส่งให้กษัตริย์และอย่างนี้เมื่อจะเข้าเฝ้ากษัตริย์นั้นก็สามารถจีบฉว ย, อยงต่างๆที่ตัวเองคิดว่าจะตกแต่งให้สวยที่สุดนะฮะเพื่อไปเฝ้ากษัตริย์เพื่อว่ากษัตริย์จะต้องตาต้องใจและแต่งตั้งเป็นราชินีน ะ, ะแต่ผ่านไปสุดท้ายกษัตริย์พึงพอใจแต่คนเดียวคือเอสเธอร์น ะ, ะในข้อเสียพระราชาทรงรักเอสเธอร์ยิ่งกว่าหญิงอื่นทั้งสิ้น และเธอได้รับพระคุณาและความโปรดปรานในสายพันธุ์เทพของพระองค์มากกว่าหญิงคมจารีทั้งสิ้นพระองค์จึงทรงสวมมงกุฎบนศีรษะเธอและทรงตั้งเธอให้เป็นพระราชินีแทนวัชรีคำถามที่น่าสนใจว่าเป็นเพราะเอสเทอร์สวยจริ ง, รงหรือพระราชาจินเรืงเล่องเป็นราชนินีผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาก็สวยนะคงสวยแต่เอสเทอร์อาจจะได้เปรียบ หรือว่าเป็นคะแนนเพราะว่าคูณสมบัติสองประการที่เขามีคือการเชื่อฟังและความศรัทธาทำให้ความสวยงั้นดูงามสง่าขึ้นความสวยก็สวยธรรมดาธรรมดาแต่ความศรัทธาและการเชื่อฟังทำให้เกิดความสง่างามบางทีไอความสง่างามกับความสวยเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะหลายคนสวยแต่ไม่สง่างามแต่หลายคนอาจจะสง่างามแต่ไม่สวยก็ได้ไม่ไม่ใช่ปัญหา ะะแต่เอสเทอร์มีสองอย่างมีทั้งความสวยและความสง่างามสิ่งที่เอสเทอร์มีอันดับแรกคือการเชื่อฟังเอสเทอร์เป็นคนที่เชื่อฟังโมริคัยทุกอย่างนะฮะในฐานะเป็นเหมือนลูกเลี้ยงอ่ะเป็นลุงและกระลุงก็เลี้ยงมาเหมือนลูกนะครับฝ่ายพนางเอสเทอร์นั้นไม่ได้ทรงให้ใครทราบถึงพญาติหรือชนชาติของพนางดังที่โมริคัยกำชับพนางไว้นะฮะ เพราะพนางเอสเธอร์ทรงเชื่อฟังบริขัยเช่นเดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพนางมาความหมายว่าถึงแม้ว่าเอสเธอร์ได้เป็นราชินีแล้วการเชื่อฟังลุงยังมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะลุงว่าไงก็ว่ า, างนั้นอ่ะบางทีเอสเธอร์อาจจะรู้สึกประหลาดประหลาดทำไมลุงไม่ให้บอกฐานะไม่ให้บอกถึงที่มาที่ไป ที่ลุงจะบอก เ, ออเธอจะลืมแนะนำลุงนะว่าลุงออมีลุงชื่อคนนี้เพื่อได้รับตำแหน่งมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่มรรคไคลก็ไม่บอกไม่ต้องบอกนะฮะดังนั้นมรรคไคลอาจจะรู้ถึงออสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมเอาไว้เพราะมรรคไคลเชื่อในพระเจ้าดังนั้นสิ่งที่เอสเธอร์มีถึงแม้จะไม่ได้เขียนอะไรมากม า, กายไก่กองแต่ว่าลุงให้ทำอะไรลุงบอกให้ทำอย่างไร ลุงให้พูดอะไรก็ว่าตามที่ลุงบอกวนะน่ะไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีสมองเนาะคนเชื่อฟังคนไม่ใช่แปลความว่าเป็นคนไร้สมองเนาะการเชื่อฟังเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่สำคัญการเชื่อฟังมันขึ้นอยู่กับกติกามกติกามมารยาทอะนะฮะคนไร้สมองคือคนไม่คิดอะไรนะไม่คิดอะไร นะไม่มีอะไรเลยไม่สนใจเลยไม่มีความคิดไม่มีทุกอย่างในเสมองเลยว่างเปล่าแต่เอ็กโ ар ้มีแต่ว่าเขาค่าใบเกียดโมลัทธิคัยเขาเชื่อฟัง zijn เพราะโมลัทธิคัย συν siècle เป็นมุคคลที่เขา Kongai Waijוףстран possible บางคำค Erfahrung เราเชื่อฟังคน이 �enced initIP stopping เรา JEN LCDTO Station ถ้าเรา dzięki premiers Stanleygua นะฮะ <Stern en> นั่นคือนั่นคือสิ่งสำคัญเหมือนเราเชื่อพระเจ้าเนีย่ยเราเชื่อฟังพระเจ้าเพราะเราไว้ใจพระเจ้านะฮะเรื่องของการเชื่อฟังเป็นเรื่องของคนที่ผ่านกระบวนการคิดมาเรียบร้อยแล้วนะจึงตัดสินใจเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังแต่คนที่เชื่อคนไปเลืเ่อยเฉยโ ด, ย, ดยไม่คิดเนีย่ยไม่ถือเป็นคนเชื่อฟังนะเขาเรียกเป็นคนไม่มีความคิดนะแต่คนที่เชื่อฟังแปล ว, ว่าได้ผ่านกระบวนการตัดสินใจแล้วว่าคนคนนีออ้น่าเชื่อฟัง น่าทำตามไว้ใจได้เขาจึงเชื่อฟังเหมือนเราเชื่อฟังพระเจ้าบรรคับบรรคารบอกเราก็แปลความหมายผิดนะอะไ ร, แ อ, ร, ะ อ, ะไรอะไรก็เชื่อฟังพระเจ้าอะไรอะไรก็เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่มีสมองไงไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีสมองนะฮะแต่แว่าสิ่งที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้สิ่งที่พระเจ้าพูดเอาไว้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีเราเข้าใจนี้ได้ไหมล่ะ ถ้าเราเข้าใจได้เราจะไว้ใจพระเจ้าถึงแม้ว่าในสิ่งที่พระเจ้าพูดไมาให้เราฟังเราจะไม่เข้าใจแต่เราจะไว้ใจพระเจ้าเราจะเชื่อพงเพราะพระเจ้าเป็นที่ไว้ใจได้ไม่ใช่เราไม่มีสมองคิดมีแต่ว่าไอ้สิ่งตรงนั้นเรายังคิดไม่ออกคิดแล้วแต่คิดไม่ออกแต่เมื่อมาอ่านพระคำพระเจ้าเออน่าจะใช่ตามนี้นะก็ทำตามไง ที่เราทำตามเพ่อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ไว้ใจได้นะฮะเป็นพระเจ้าที่เชื่อถือได้นะฮะเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยโกหกเราทำไมเราจะไม่ไว้ใจทำไมจะไม่เชื่อฟังนะการที่เราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเนี่ยมันอาจจะคิดได้สองแบบหนึง่งเราคิดว่าเราเก่งกับพระเจ้าเลยไม่เชื่อฟังปรงุงเพราะบางอย่างบางเรื่องพระเจ้าพูดไม่สมเหตุสมผลเข้าใจไหม พระเจ้าพูดไม่สมเหตุสมผลเราเราไม่เชื่อกันใช่ไหมความรู้ของพระเจ้ามันขัดกับความรู้ของเราเราเลยไม่เชื่อไงนะฮะเมื่อเราไม่เชื่อปั๊บแสดงว่าเราไม่มั่นใจพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นเป็นบุคคลที่น่าไว้ใจน่าเชื่อถือเป็นพระเจ้าที่รู้ทุกอย่างเป็นพระเจ้าที่สับสนยุยยานเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจสามารถสร้างสิ่งที่ไม่มีให้มีได้นั้นต่างหากเราไม่เชื่อเพราะนั้นต่างหากเราเลยไม่เชื่อฟัง นั่นคือสิ่งที่ว่านั้นการเชื่อฟังเนี่ยมันผ่านขบวนการไตรตรองมาเรียบแล้วตัดสินใจตัดสินใจเชื่อผ่านขบวนการการไตรตรองว่าคนนี้เป็นคนที่เราไว้ใจได้เชื่อใจได้คนนี้เป็นคนที่แม้จะพูดอะไรก็ตามแต่เราจะเข้าใจไม่ได้แต่เราเชื่อถือว่าจริงเขาพูดมานั้นมันเป็นความจริงและถ้าเราทำตามไมันจะเกิดผลประโยชน์เราตัดสินใจเชื่อนั้นการเชื่อฟังจะไม่ใช่เป็นเรื่องคนไร้สมองเป็นเรื่องคนที่ไม่ไม่รู้จักคิด เป็นเรื่องคนคิดไม่เป็นไม่ใช่นั้นคริเสเตียนที่ทำตามพระคำพระเจ้าไม่ใช่ว่าคิดไม่เป็นเขามีประสบการณ์เยอะแยะมากมายกลายกว่าพระคำพระเจ้าไม่เคยโกหกพระเจ้าไม่เคยตรัสวุสาได้เหตุผลที่ตัดสินใจลงมือทำตามแม้ว่าจะไม่เข้าใจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นบางเรื่องบางอย่างทำไมต้องเข้าใจอย่างนี้ทำตามนะทำไมต้องเห็นแล้วต้องเชื่อ หลายคนบอกจะให้เชื่อต้องเห็นก่อนถ้าเห็นก่อนไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะมันเห็นแล้วไงไอ้ที่มันใช้ความเชื่อเพราะว่ามันยังไม่เห็นนั้นพระเพียงใช้มาความเชือค่อความแน่ใจที่เราหวังไวเป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นมีจริงและพระเจ้าเนี่ยมีจริงเราเชื่อพระเจ้ามีจริงนั่นคือสิ่งสำคัญ น, นั้นเอสเตอร์เนี่ยไว้วางใจมอริคัยอย่างนั้นจริงเติบโตมากับมอริคยัย โมนิคายพูดอะไรเนี่ยเอสเธอร์เชื่อเชื่อเพราะอะไรไม่ใช่เพราะเป็นลุงแต่ชีวิตที่คุ้นเคยกับลุงคนนี้ลุงคนนี้ของฉันเป็นคนที่ฉันไวใจได้ฉันจึงเชื่อฟังทุเรื่องเมื่อลุงบอกนะฮะนั่นคือสิ่งที่ไอ้มองเห็นว่านี่คือลักษณะชีวิตของเอสเธอร์ลักษณะการเชื่อฟังเนี่ยทำให้เอสเธอร์เนี่ยเป็นคนที่มีสง่าราศีในตัวของเขานะฮะคนที่เชื่อฟังพ่อแม่คนที่เชื่อ ภาษาไงนนคนนี้กระตันอยู่เขาบอกกระตันอยู่แปลว่าเชื่อฟังนะเชื่อฟังถ้าเราเราเราบอกว่าเราทำไมทำไมเป็นคนที่รู้คุณบิาบดามารดาก็มีเหตุผลเดียวคือเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังจะรู้คุณตรงไหนไม่รู้น ะ, นะไม่รู้นะการรู้คุณคือการเชื่อฟังนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเอเซอร์เนี่ยรู้คุณออโมเลกุลที่เลี้ยงดูมา และตลอดเวลาเขาสัมผัสได้เสมอว่าโมเดิร์ทไคล้วนแล้วจะมีสิ่งเดียวเขาตลอดชีวิตของเอสเธอร์ในเหตุผลนี้เอสเธอร์ยังไว้ใจโมเดิร์ทไคและเมื่อสั่งมา ก, ก็ไม่ถามมากความไม่ถามเหตุผลด้วยบอกว่าอย่าบอกนะว่ามีใครเป็นญาติโยมไม่ต้องบอกเอสเธอร์ไม่ต้องบอกไม่ต้องถามเหตุผลนะมีความมั่นใจว่าถ้าลุงพูดอย่างนี้แสดงว่าลุงมีเหตุผลดีนั้นไม่เป็นต้องพูด เพราะถามไปก็รู้ว่าลุงไม่ตอบไปแล้วว่าทำไมลุงไม่ตอบไปแล้วถามไปลุง ก, ก็ไม่ตอบบางเรื่องบางอย่างเราก็ไม่ตอบใช่ไหมบางทีเราทำอะไรกับลูกต่างๆที่ลูกทำมาเราก็ไม่ตอบเพราะเราคิดว่ายังไม่ถึงเวลาตอบตอบเวลานี้ไม่มีความหมายอะไรไว้คอยถึงเวลาตอบแล้วจะตอบนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าลูกไว้ใจเราเชื่อใจเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากทำตามนะฮะเราเป็นลูกของพระเจ้า พระเจ้าว่าอย่างนี้ก็ว่าอย่างนี้เชื่อเธอถามไปพระเจ้าก็ไปตอบพระเจ้ามีเหตุผลที่จะไม่ตอบหลายคนชอบพูดคำพูดนี้นะพระเจ้าไม่มีเหตุผลทำไมก็ถามแล้วไม่ตอบอ่า เ, เป็นสิทธิของพระเจ้าไงและพระเจ้ารู้ว่าจะตอบตอบดีหรือไม่ตอบดีถ้าตราบใดเราเรายังตอบเรายังไม่ตอบเราก็แสดงว่าเราก็รู้เหตุผลว่าทำไมไม่ตอบ ไม่ใช่เราเป็นคนไร้ายเหตุผลแต่เรารู้ว่าทำไมเราไม่ตอบเรามีเหตุผลที่จะไม่ตอบเราจริงไม่ตอบให морals อย่างครบาาารงรลูป ล, ลอรรบ์อาจารย์นี่สอง longitudinal สิ้นแล้ว illeving plans ええก็สถามอ่ะและคำเฉั่นเกลอยแรกๆาั่หรือแต่เพิ่มอะไรครับอาจารย์อาจารย์จะตอบไหมครับเอาตูไป למ� say การบ้าน Berlin การบ้านไปลาให้แฮย Modern playing เนี่ยเป็นคนหามาไ คนไข้ถามหมอผมเป็นโรคอะไรหมอยังไม่ตอบเลยบางเรื่องหมอไม่ตอบนะทำไมหมอไม่ตอบหมอมีเหตุผลที่ไม่ตอบพอตอบไปแล้วบางครั้งคนไข่รับไม่ได้ก็เลยไม่ตอบไงแต่ตอบคำไหนยิ่งตอบเออฉันตอบไม่ได้หรอกเขาตอบไปเธอรับไม่ได้อยิ่งยุ่งหนักเข้าไปอีกยิ่งยุ่งหนักเข้าไปก็ไม่ตอบคือไม่ตอบแล้วมาบางคนเขาน่าตอบเออคอยชัว น, น, นี่ก็คือคือส่วนสำคัญจากหนุนใจใมองเห็นการไม่ตอบอะไรไม่แปลความเราเป็นคนไร้เหตุผลบางครั้งพระเจ้าไม่ตอบอะไรเราไม่แปลคอพระเจ้าไร้เหตุผลแต่ถ้าคนที่รู้จักพระเจ้าจริงเราจะไม่ถามอะไรพระเจ้ามากนะนะปะโล่อยฐานสามผลพระเจ้าไม่ตอบก็จบแล้ว <c oughs> ไม่ตอบไม่ถามต่อแล้วนะฮะอันนั้นคือสิ่งสำคัญที่มองเห็นนะครับเอสเชอร์เป็นคนเชื่อฟังเอสเชอร์เป็นคนสัตซ์ซื่อความสัตซ์ซื่อ แสดงออกถึงความไม่โลภด้วยคนที่สักซื่อมักเป็นคนไม่โลภคนที่เป็นคนโลภมักไม่สักซื่อลองสังเกตไหมสองอย่างไปด้วยกันนะคนไหนที่สักซื่อมักจะไม่โลภแต่คนไหนที่โลภมักไม่สักซื่อเมื่อถึงเวรของเอสเธอร์บุตรสาวของอาบีฮาอินลุงของ โมเดิร์คไคผู้ซึ่งรับเธอไว้เป็นบุตรีจะเข้าเฝ้าพระราชาเธอไม่ได้ขอสิ่งใดนอกจากสิ่งที่เฮกไกขันคีของพระราชาผู้ดูแลผู้หญิงแนะนำเอสเธอร์เนี่ยเรียนรู้จากการเชื่อฟังคนสาวสาวที่เข้ามาเนี่ยพอถึงเวลาที่เข้าเฝ้ากษัตริย์เนี่ยมีอะไรหยิบได้จะหยิบหมดอะท่านทราบไหมเพราะอะไร ถ้ากษัตริย์ไม่เรียกต่อไปก็ยังได้ทรัพย์สมบัตินี้ติดไม้ติดมือกับบ้านนะเข้าใจไหมโอกาสนี้ทั้งทีเอาไว้ก่อนนะฮะเอาไว้ก่อนนั่นจะเห็นว่าถ้าอ่านก่อนเนี่ยคนอื่นโอ้โหพอบอกให้หยิ บ, ห ย, บ ห, หยิบนู่นหยิบนี่นะฮะดูหนังประดับกายไหมครับแต่มีความศักดิ์ถ้ากษัตริย์ไม่เรียกต่อสิ่งอันนี้ยังเป็นของสมบัติที่ติดตัวเขาอ่ะแต่สำหรับเอเซอร์ไม่ได้เอาสิ่งใดเลยนอกจากคำแนะนำของเคกัย นะฮะซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้หญิงเอสเตอร์รู้ถ้าเขาแนะนำให้ทำอย่างนี้จะแสดงว่าคนนี้เป็นคนนี้เป็นคนรู้ใจกษัตริย์เข้าใจไหม<ส>คนนี้เป็นคนรู้ใจกษัตริย์และถ้าเขาแนะนำให้เอสเตอร์ใส่แค่นี้แบบนี้พอแล้วเอสเตอร์โอเคพอแล้วเพราะคนนี้เขาไว้ใจนี้เพราะคนนี้เป็นคนรู้ใจกษัตริย์เอสเตอร์ฉลาดนะเข้าใจไหม ทำตามที่เฮกไก่บอกธนทรแล้วยังอื่นไม่เอาเลยเพราะถ้าเอามากนี้อาจจะเสียหายหลายแสนก็ได้แต่เพราะการเชื่อฟังเฮกไก่นะฮะสิ่งที่พอเหมาะพอควรเฮกไก่เป็นคนรู้จักพระไทยของพระราชาเฮกไก่เป็นคนใกล้ชิดพระราชาเฮกไก่รู้จักพระราชาดีนั่นจรึงแนะนำเพราะเฮกไก่ทำไมถูกใจเอสเธอร์ด้วยเฮกไก่นี่ถูกใจเอสเธอร์ด้วย ก็เลยแนะนำในสิ่งที่ดีให้ถ้าเอสเธอร์ไม่เชื่อไม่เอาจอากนู่นด้วยเนี่ยอาจจะพลาดตำแหน่งราจชินีก็ได้แต่เพราะเอสเธอร์ฉลาดนะพร้อมจะเชื่อฟังเพราะรู้จักว่าเฮกไกคือใครแต่คนอื่นไม่รู้คนอื่นจะเห็นแต่ทรัพย์สมบัติแต่รู้ว่าเผื่อพลาดเอาไว้ก่อนนะเผื่อพลาดแต่เอสเธอร์ไม่เอาแต่เอสเธอร์ก็ไม่ได้แปลความว่าหวังเป็นราจชินีแต่ว่าอเอาแค่นี้พอละ นะเป็นความพึงพอใจในส่วนที่ตอนอิม่มเอืออะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ยังไปอะไรกับมันมากนะนะฮะก็มาทำตามคำแนะนำเป้าหมายของเอเซอร์คงไม่คิดหวังที่เป็นราชนีมั้งเพราะเนื่องจากเมอร์คิเลย์บอกให้มาเขามาใช่ไหมเอเซอร์คงไม่ตั้งใจจะมาเองละเมอร์คิเลย์บอกให้มาก็มานะฮะอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นฉะนั้นฝ่ายเอเซอร์จะเป็นที่ถูกตาทุกคนที่เห็นเธอต้องเป็นคนที่เชื่อฟัง และเป็นคนที่ไม่โลภมีความพึงพอใจในสิ่งตัวเองมีอยู่ไม่แย่งชิงผลงานเอสเทอร์เป็นคนที่ไม่แย่งชิงผลงานคนอื่นนะสัตซ์ซึในครั้งเมื่อโมริคัยนั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังบิดทานและเทเรสขันธีสองคนของพระราชาผู้เฝ้าธรณีประตูมีความกโกรธและหาช่องจะมาทุสลายกรรษัตริย์อาหะสุเอรัสเรื่องนี้รู้ถึงโมริคัยและท่านก็ทูลพระทินีเอสเทอร์ มานางเอสเธอร์กราบทูลพระราชาในนามของโมระเดคัยถ้าเอสเธอร์จะไม่บอกก็ได้นะว่าใครเป็นคนบอกเห็นไหมเอาหน้าสักคนเดียวก็ย่ำได้อยู่แต่เอสเธอร์ทูลพระราชาเรื่องการปองร้ายของบิคธานและก็เทเรสนะฮะบอกว่าคนที่บอกคือโมระเดคัยเอสเธอร์ไม่แย่างผลงานของเดคัยนะฮะถ้าเขาจะไม่บอกก็ได้ว่ามาจากใคร รับทราบรับรู้อะไรต่างพวกนี้อันนั้นก็เป็นสิ่งดีเพราะความสัตย์ซื่อของเอสเธอร์เป็นเหตุให้มีส่วนในการช่วยชนชาตในอนาคตข้างหน้าซึ่งเมื่อเราอ่านต่อไปจะเห็นว่าโมเดิร์คไฮรับการยกย่องขึ้นทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ลง น, น, นั่นคือสิ่งให้มองเห็นภาพว่าความสัตย์ซื่อกับความไม่โลภไปด้วยกันความสัตย์ซื่อกับความไม่แย่ยงแองจิ้งผลงานมันไปด้วยกันของใครของมัน ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรานะฮะสืมกันอันยิ่งอะไรที่เป็นผลงานของพระเจ้าอย่าแย่งมานะฮะโดยยมพรักฆ์เกิดเสียนเราอาจจะทำงานดูเหมือนว่าเกิดผลมากมายแต่ผลนั่นเป็นของพระเจ้าจากนะั้นไม่ใช่ของเรานะต้องจำนิวให้แม่นนะไม่ใช่วยเพราะเราเก่งจริงทำสิ่งนี้ได้ไม่ creux เ, เรา Excel มีความสามารถ จึงทำอันนี้ให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่งานของพระเจ้ามันเกิดผลขึ้นโดยพระเจ้างานของพระเจ้าเราทำให้เกิดผลได้งานของพระเจ้าคนพระเจ้าทำได้ทั้งสองอย่างปลูกกระรตน้ำเองไม่ทำมากนี้การเกิดผลเป็นของพระเจ้าถ้าคุณอยากจะเกิดผลคุณก็ติดสนิทกับพระเจ้าแล้วคุณจะเกิดผลที่คุณเกิดผลได้เพราะคุณติดสนิทกับพระเจ้าที่คุณเกิดผลได้เพราะคุณศรัทธาต่อพระเจ้าที่คุณเกิดผลได้เพราะ พระเจ้าให้คุณเกิดผลไม่ใช่นเพราะคุณเกิดผลเองงั้นบางครั้งบางคาเราก็อดไม่ได้นะใจแจ้งผลงานพระเจ้าเป็นของเรานะฮะมันก็มีบ้างอ่ะมีบ้างมีแอบชมตัวเองบ้าง、응、เราไม่ธรรมดาเนื้ อ, อ, อโอเคนะฮะแป๊บเดียวจะเอาเยอะแป๊แบแป๊บให้นึกถึงว่าตรงนี้พระเจ้าไม่ใช่เรานะฮะพระเจ้าไม่ใช่เราถ้าจะภูมิใจภูมิใจเรื่องเดียวภูมิใจที่พระเจ้าใช้เรา น, น่าภูมิใจแต่อย่าภูมิใจผลที่เกิดขึ้นเพราะผลที่เกิดขึ้นเป็นของพระเจ้าถ้าจะภูมิใจภูมิใจก็คิดว่าพระเจ้าใช้เราเราไม่ใช่นคนเก่งไม่ใช่นคนดีไม่มีอะไรสมควรที่จะรับใช้พระเจ้าได้แต่พระเจ้าใช้เราอันนี้หน่าภาคภูมิใจ น, นั้นหนุนใจมองเห็นภาพ น, นี่คือความการเชื่อฟังของเอสเธอร์และความศรัทธาของเอสเธอร์เป็นเหตุทำให้เอสเธอร์เนี่ยได้รับการเลือกให้เป็นราชินี มรคนสวยเนี่ยสวยเหมือนกันสวยคนรูปแบบแต่เหตุผลที่ได้รับการเลือกนะฮะก็คือสง่าราศีความสามารถข้างในเห็นไหมเขาะประกวดนางงามอะ่ะใช่ไหมเราเคยมีคำวามสา่าคนนี้สวยกว่าทำไมไม่ได้มันต้องประกอบด้วยความสามารถสติปัญญาอะไรบางอย่างความฉับไวความไหวพลิบได้อไหมไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะ นิสสวยเดียวไม่ผ่านนะไม่ผ่านนะนะบางค น, คนโอ้คนนี้สวยไม่ถูกตาตอนเลยทำไมได้เป็นมิสไทยแลนด์ใช่ไหมเป็นนางสาวไทยโอ้คนนี้ไม่เห็นสวยเลยทำไมได้เป็นนางงามจั ก, กรวาลเอามันมีองค์ประกอบหลายตัวดังนั้นความสวยอาจจะเท่าเคียงกันเทียบเคียงกันได้ต่างกันไม่มากนะักแต่สิ่งที่เธอไม่ได้รับการเลือกเพราะว่าองค์ประกอบอื่น องค์ประกอบอื่นของเอสเธอร์คือความสัตย์ซื่อและการเชื่อฟังเป็นเหตุทำให้กระสับกระสือกพวกนี้มาอยู่ในตัวนะมันเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ในตัวไม่จำเป็นต้องแสดงออกหรอกบางทีบางคำบางขาเราก็พอสัมผัสได้นว่าใครเป็นคนสัตย์ซื่อและไม่สัตย์ซื่อไหมจริงไหมบางทีเราพอมองเห็นถึงแม้ยังไม่ทำงานด้วยเราก็พอจะมองออกว่ า, าคนนี้น่าจะเป็นคนสัตย์ซื่อ และคนนี้น่าจะไม่สัตซ์ซื่อเพราะมองได้ระดับหนึ่งใช่ไหมไม่ใช่หมองเพราะไอ้พวกนี้มันอยู่ในตัวไงอยู่ในตัวคนเป็นชีวิตของคนนะอะไรที่เป็นชีวิตของคนเนี่ยมันมองออกนั่นก็หนุนใจในเรื่องนี้ว่าความสัตซ์ซื่อของเอสเธอร์และการเชื่อฟังเธอเป็นเหตุให้เขาได้รับการเลือกนะครับความการเชื่อฟังและความสัตซ์ซื่อของโมริตไคโมริตไค้นั้นนะครับเป็นคนที่สัตซ์ซื่อต่อพระราชาก็ ในครั้งนั้นโมริตไค์นั่งอยู่ที่ประตูพระราชวังปิกทานาเทเลสขันทีสองคนของพระราชาผู้เฝ้าประตูธรณีมีความโกรธและหาช่องปลุกลายกษัตริย์อาหาสรสลดเรื่องนี้รู้ถึงโมริตไค์รู้ถึงโมริตไค์ท่านกทูลพระราชนินีเอสเธอร์เมื่อรู้ปั๊บว่ามีคนคิดจะปล ong ลายพระราชาท่านถามว่าโมริตไค์จะไม่พูดได้ไหมได้ธุระไม่ใช่ นะ่ะทุรัพภัย չ ันไม่ใช่ก็ได้อยู่แต่ไม่บรรวจไทยคือว่าพระราชาคือเจ้านายนะ่ะถ้ามีคนจะมาปรองร้ายเจ้านายก็จะมีตึกเป็นทางบอกเจ้านายให้รู้ตัว McDonald คือสึงที่เกิดขึ้นบอกให้รู้ตัวแจ้งให้ทราบับว่ามีคนคิดจะปรองร้ายตุเหต่ยเพิดนี้เมื่อมีการสอบสวนขึ้นมาสองคนก็ถูกประหารชีวิตมีหลักฐานชดเจน ว่าคิดจะปล ong ลายพระราชาพ่ออะไรไม่ชอบพระ ร, ราชโกรธพระราชหาช่องทางจะบอสไลาอาหารส่วนรักนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็หนุนใจมองเห็นว่าเมื่อเรารู้อะไรที่มันไม่ดีเราก็ต้องแจ้งไปตามอะไรขั้นตอนถ้าไปตามขบวนการเขาเรียกว่าทีเบาแสเนี่ยแจ้งเบาแสให้เจ้าที่ทราบอย่าไปทำเองนะงวดใครก็ไม่จับสองคนนี้ไม่ให้พระราชาเนื้อ ไม่จับเห็นไหมเพราะไม่ชนะที่เขาหน้าที่ของบรรทุกคายคือแจ้งให้ทราบถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นทั้งบ้านเราก็แจ้งเจ้าที่ทราบอย่าคิดว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะไม่ใช่เรื่องของเราไม่เกี่ยวไม่มีเหาอย่าหาเหาใส่หัวบางครั้งคำนี้ใช้ไม่ได้บ่าวโอกาสเนื้อเรื่องร้ายๆบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติบ้านเมืองเกี่ยวข้องสังคมจำเป็นต้องบอก ถ้าคุณไม่บอกอนาคตคุณจะเดือดร้อนเอง น, ะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะฮะอย่าคิดว่ า, อ, าอะไรเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกวับเรานะฮะอย่าเอากระดูกมาแขวนคอนะฮะบางครัง้งมันขาดเราก็คิดเอาตัวรอดแต่การเอาตัวรอดของเราอาจจะเป็นเหตุร้ายกลับมาสู่เราแต่ความสัตย์ซื่อของมรัยใครเป็นเหตุให้เขาช่วยเหลือ ชนชาติเขาให้รอดเมื่อถึงชนชาติเขาต้องถูกไปถูกล้างฐานโดยศัตรูแต่เพราะความศัตรูอของโมริคัยณเวลานี้อนาคตจึงเป็นเหตุทำให้เขาสามารถช่วยชนชาติให้รอดความศัตรูอของเราในเวลานี้จะเป็นเหตุช่วยอนาคตของเราให้รอดช่วยคนให้รอดช่วยสถานการณ์บางอย่างให้ดีขึ้นเพราะความศัตรูอของเราในเวลานี้เวลานี้ในการแสดงความศัตรูอาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่มันเกิดประโยชน์ได้แน่รับประการันได้เมื่อเราแสดงความศรสัทธาอย่างชัดเจนอย่างถูกต้องนั้นอยากจะหนุนใจให้มองเห็นว่าความศรัทธาเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการจากเราสูงมากนะฮะอย่าอย่าละเลยอย่างร้อยศรสัทธากับตัวเองสสอะศรัทธาในหน้าที่ที่ได้รับปอมอบหมายจากพระเจ้าทำให้ดีที่สุดอย่าไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านเขานะฮะเราอยู่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะฮะโมเดิร์คไลรู้ตัวเองว่าอยู่ตรงไหนแบบไหน เขาจรึงทำถูกและการสัตย์ซื่อก็เกี่ยวข้องกับการเชื่อฟังนะฮะเชื่อฟังตามตำแหน่งเข่าวรบในการละกันเรื่องนี้รู้ถึงเมอร์คิเลยและท่านกระทูลพระราชินีเอสเธอร์เมอร์คิเลยไม่ไปหากษัตริย์เองนะไม่บอกเอสเธอร์ว่าเอสเธอร์ผมมีข่าวดีข่าวร้ายจะบอกกษัตริย์ช่วยพาผมเข้าเฝ้ากษัตริย์หน่อยไม่บอกแค่ไปแจ้งให้เอสเธอร์ทราบแจ้งให้ราชินีทราบ ส่วนราชยีจะทำอะไรก็เล่業ของราชรีนีเอ็กซ์นี่คือการเชื่อฟังตาตำแหน่งไม่ไปและลาประรวงถึงแม่ว่าเอ็กซ์เซอร์ปเป็นหล่านแต่นี่เข iembre เป็นราชีนีแล้วเมื่อบอกกับราชีนีแล้วราชีนีจะไปทูกษัล kuin แบบไหนก็เล่วของราชีนี ваши คนส่งเมื่อค่าไม่โล่วงแล้วแต่ราชีนีเห็นควรจะรายงาน当ภั นั่นคือสิ่งที่ดีที่นั่นแต่ว่ารัชนีก็ทำหน้าที่ส่งสารเองก็ไม่บอกกษัตริย์ว่าจะมีคนปล ong ร้ายสองคนที่จะปล ong ร้ายนะฮะและใครเป็นคนบอกจบแค่นั้นเหมือนกันไม่พูดต่อเหมือนกันเอสเซอร์เอสเซ อ, อ, อร์ก็ไม่ไปลาบล้วนใครไม่ไปลาบล้วนกษัตริย์ด้วยว่าพระองค์ต้องทำอย่างนั้นทำนี้นะอะไรต่างก็ไม่ไปบอกแค่ไปแจ้งข่าวให้ทราบรับข่าวมาก็แจ้งข่าวต่ออันนี้เป็นการเคารพในการละกันในตำแหน่ง การเคารพในการตา่างๆถือเป็นการเชื่อฟังตามตำแหน่งนะบางครั้งเราถามว่าทำไมต้องเชื่อฟังเขาเมื่อเขาเป็นคนไม่ดีเขาคนไม่ดีคนไม่ดีดตำแหน่งก็คือตำแหน่งใช่ไหมฉะนั้นเรื่องตำแหน่งสำคัญคุณจะบอกว่าฉันไม่เชื่อฟังเขานะเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเอาแต่เขามีตำแหน่งนะเขามีตำแหน่งเขามีสิทธิสั่งเราได้เราไม่เชื่อฟังมีเหตุผลเดียว เมื่อเขาสั่งให้เราทำผิดกฎหมายเราไม่ทำแต่ถ้าเขาสั่งให้เราทำในสิ่งที่เราต้องทำในหน้าที่การงานที่เราเป็นเราก็ต้องทำถึงแม้เขาเป็นคนไม่ดีคนไม่ดีไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่เขาเป็นนั้นนั่นคือส่วนตัวแต่เขาสั่งคุณต้องทำเพราะเป็นงานคุณต้องทำและคุณต้องฟังเขาหลายครั้งก็มีปัญหานี้สูงพอเงินคือเซนก็มีปัญหานี้สูงพอนะไม่ฟังอ่ะน ะ, นะ คนไม่ชอบทำเขาไม่ต้องฟังเขาคนไม่ชอบทำเป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าแต่ตำแหน่งเป็นเรื่องระหว่างเขากับเรานะคนละเรื่องกันอย่าเอาปนเปกันหลายคนก็ทำเงี้ยนะก็มันไม่ดีแค่เชื่อฟังว่าไงอ้าวคนละเรื่องกันยกเว้นการที่คุณสั่งให้คุณไปทำปิดกฎหมายคุณจะไม่ทำเขาได้คุณสามารถฟ้องกลับไปซ้ำไปถ้าเขาสั่งคนทำปิดกฎหมายคุณก็วาดไปตามขั้นตอนนี่นะเขาสั่งทำปิดกฎหมายแล้วคุณไม่ทำ เขาจะไล่คุณออกคุณก็ฟ้องแต่เป็นขั้นการก็ฟ้องสารปกครองเอาอะไรต่างพวกนี้ใช่ไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นการเชื่อฟังคนไม่เกี่ยวข้องกับเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีกษัตริย์หลายองค์อาจจะไม่ดีแต่คุณก็เชื่อฟังผู้นำประเทศหลายคนไม่ดีกบคุณจะเชื่อฟังถ้าเขาทำตามกติกากฎหมายที่วางเอาไว้นะฮะนั่นคือสิ่งอนุญาตให้มองเห็นภาพว่านั้นโมในใร็อกกลายก็แสดงออกในการเชื่อฟังว่าเขารบในกติกา เคารพในตำแหน่งของกันและกันไม่ถือศักดิ์ถือศีลว่าฉันเป็นลุงไม่ไปแนะนำเอสเธอร์ว่าคุณต้องทำอะไรและเอสเธอร์กระติต้นทิศสายลุงคือว่าเมื่อไปบอกกษัตริย์แล้วก็ไม่ไปแนะนำกษัตริย์ต่อว่ากษัตริย์ต้องทำอะไรนะไม่แนะนำให้ซ้ำไปว่ากษัตริย์ต้องปุ่มอะไรให้กับโมริตัยนี่นะมาบอกข่าวดีนะมีบันทึกไว้ใช่ไหมแล้วกษัตริย์ให้รางวัลไหมไม่ได้ให้เลยไม่ได้ให้เลยมาให้ตอนไหนตอนที่นอนไม่หลับ แล้วมาอ่านไอ้ที่บันทึกไว้มีอะไรขึ้นโอ้แล้วให้รางวัลยังยังไม่ได้ให้เลยให้นะฮะที่เอสเทอร์ก็ไม่ ไ, ไปลาบหลวงกษัตริย์ว่าไอ้อกษัตริย์คุณรอดปลอดภัยมาพราะลุงฉันนะทำไมคุณไม่ให้อะไรรางวัลรุนฉันบ้างเลยอะเอสเทอร์ก็ไม่ทำจริงไหมโมริคายก็เคยไปถามเอสเทอร์ว่าไอ้ลุงอุสาวะบอกทำไมเธอไม่ไทุนกษัตริย์ คุณงามความดีของลุงให้กษัตริย์รับรู้บ้างน ะ, นะขอรางวัลแท น, นะวันนี้ใครก็ไม่เคยไปบีบอะไรเอสเตอร์เลยให้เกียรติเคารพเชื่อฟังตำแหน่งนะนั่นคือสิ่งใน ห, หนุนใจให้มองเห็นภาพในเกิดการเชื่อฟังและความศรัทธาเป็นคุณสมบัติเป็นบุคลิกประจำตัวของคนที่ติดตามพระเจ้านะและเมื่อเราติดตามพระเจ้าสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับเรา จะเจริญขึ้นจะก้าวหน้าขึ้นสำเร็จผลตามน้ำพระทัยพระเจ้าการเชื่อฟังและความศรัทธาเป็นบุคลิกสำหรับผู้ที่ตาพระเจ้าทำให้ชุดเจริญก้าวหน้าพระเจ้าสามารถใช้ได้พระเจ้าของเราหนนศรัทธาปรุงผู้ทรงเรียกท่านหนศรัทธาและปรุงจะทรงกระทำให้สำเร็จเหตุจากนั้นพี่น้องที่รักของข้าพระเจ้าท่านตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานองค์พระเจ้า ให้บริบูรณ์ทุกเวลาทั้งหลายเพิ่งรู้ว่าโดยองค์พระเจ้ากลางท่านจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้พระเจ้าไม่ลืมท่านหรอกเมื่อถึงเวลาพระองค์จะยกชูขึ้นในเวลาอนควรขอให้สัตย์ซื่อกับหน้าที่ที่มับ่นบ่มหมายให้ดีส่วนเจ้าถ้าเจ้าดำเนินต่อหน้าเราอย่างดาวิดบีดาของเจ้าดำเนินนั้นกระทำตามทุกสิ่งซึ่งเราได้บัญชาแก่เจ้าและรักษากฎเกณฑ์ของเราและกฎหมายของเรา แล้วเราจะสาปนาราชชลังของเจ้าดังที่เราได้กระทำสัญญาไว้กับดาวิดปีดาของเจ้าเจ้าจะไม่ขาดชายผู้นั่งผู้บัญชาครอบครองเหนืออิสราเอลเป็นคำตรัสที่พระเจ้าตรัสกับซาโลมอนถ้าเขาสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าจะสัตซ์ซื่อกับเขาสัญญาที่ให้ไว้จะเป็นไปตามนั้นคนที่ได้รับห้าตะลันก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าข่าท่านมอบเงินห้าตะลันไว้กับข้าพระเจ้า ดูเธอถิดข้าพระเจ้าได้กำไรมาอีก5ห้าตะลันนายก็ตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทา่าดีและสัตซ์ซื่อเจ้สาสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเจ้าจะตั้งเราจะตั้งเจ้าดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดอันนี้คือเมื่อคนไหนก็าตามแต่ที่เชื่อฟังพระเจ้าสัตซ์ซื่อต่อพระเจ้าพระเจ้าจะชมว่า ด, ดีแล้วเจ้าเป็นทา่าดีและ ส, สัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราตั้งเจ้าดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด นัม้นขอสุพันสั้นว่าบำเหน็จรังวันที่พระเจ้าจะให้กับเราไม่ใช่ผลงานที่เราทำแต่ความศัตรูที่เราเป็นพระเจ้าอวยพรเราปูนบำเหน็เรายกชูเราบนพื้นฐานของความศัตรูไม่ใช่ความสามารถไม่ใช่ความรู้ที่เรามีถ้าเราเข้าใจหลักเกณฑ์ น, นี้ เราต้องไม่เปรียบเทียบอะไรใครมากจงสัตซ์ซื่อทำตามหน้าที่เจ้ามอบหมายให้และพระเจ้าว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตซ์ซื่อเจ้าสัตซ์ซื่อในของเล็กน้อยเราตั้งเจ้าดูแลของมากจงปีดีร่วมสุขกับนายพระเจ้าเถิดร่มใจฐานครับพระบิดาพระเจ้าสั่นเสริมขอบคุณในความรักความเมตตาพระเจ้าที่มีของหลายเจ้าอวยพรฮาเรียสันเสริมพระเจ้าสันเสริมพระเจ้า พระเจ้าอยิ่งใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญร้องเพลงเพลงแรกเป็นเพลงเลยนะเพลงไอถ่านคำไอถ่าน